2 3 0จหลวงพ่อเข้าใจธรรมะเรื่องการดูจิตจากคําสอนของหลวงปู่ดูลงเล็บเปิดสามอมีนาคม2551ันาในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทียีสวงเล็บปิดหลวงพ่อเข้าใจธรรมะทั้งหลายนี้ขึ้นมาจากการภาวนาจุดเริ่มต้นมาจากคําสอนของหลวงปู่ดูลิดเดียวเองหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองท่านสอนหลวงพ่อบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองปิดเครื่องหมายคำพูดเนี่ยความรู้ความเข้าใจในธรรมะทั้งหลายมาจากการที่เราคอยตามอ่านจิตตนเองเนืองๆนั่นเอ ง, เอ ง, เอ ง, เองมีอยู่คราวหนึ่งไปหาท่านครั้งที่สองนะเป็นช่วงวิสาขาบูชาปี2525 25. ท่านเทศให้หลวงพ่อฟังตั้งแต่ว่าจั ก, กรวาลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจิตวิญญาณเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจนถึงว่ามันจะนิพพานไปอย่างไรสอนมากมายนะสอนอยู่นานละเอียด เราฟังแล้วเราก็ท้อใจมากเลยไม่รู้เรื่องและไม่รู้ว่าฟังแล้วจะเอาไปปฏิบัติได้อย่างไรเพราะท่านเทศจบก็ถามท่านซื่อๆนะบอกว่าที่หลวงปู่สอนมาทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมขอแค่นี้แหละเพราะฟังไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้จะเอาไปภาวนาได้อย่างไรท่านก็บอกว่าการปฏิบัติมีเท่านั้นแหละ ธรรมะ 84,000 พันพระธรรมขันเนี่ยออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองให้เราเรียนรู้จิตไปแล้วเราจะเข้าใจธรรมะเองเราไม่เข้าใจ 84,000 พันพระธรรมขันเท่าพระพุทธเจ้าหรอกพระสารีบุตรก็ทำไม่ได้พระสาวกชันเลิศก็ทำไม่ได้ที่จะรู้เท่าพระพุทธเจ้าแต่เราจะรู้ธรรมะอันหนึ่งที่เรียกว่าอริยสัจ อันนี้ท่านไม่ได้เฉลยนะหลวงพ่อมาเข้าใจทีหลังคือตราบใดที่ไม่เข้าใจอริยสัจนี่ยังต้องเวียนไหวตายเกิดถ้าเข้าใจอริยสัจถึงจะพ้นจากการเวียนไหวตายเกิดได้จริงๆอันนี้ในพระสูตรก็มีอยู่ตอนที่เราภาวนาตะลุมบอลอยู่เนี่ยใจเราจะรู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรบางอย่างแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรรู้สึกไหมรู้เหมือนมีขอบเขตของสติปัญญาของเราอยู่นะเราทะลุไปไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไร เฉลยให้ก็ได้นะไม่รู้อริยศัสตร์วันใดที่แจ้งอริยศัสตร์วันนั้นข้ามพบข้ามชาติล่ละ